พระธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอาสารหะบูชาน้อมนำคำสอนมาใส่ตน วันนี้เป็นวันที่สิบเก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันเดือนแปดเพ็ญเป็นวันอาสระหบูชาวันอาสระหบูชาเป็นวันสำคัญชะไหนเป็นวันสำคัญยิ่งนะคณาตายาิโยมคือลูกหลานบางคนก็มีแต่ทำการทำงานไม่ได้สนใจวัน ดีวันไม่ดีวันของพุทธศาสนาแต่ว่าพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้พวกเราได้ยินได้ฟังก็ ผ, ผ่านไปผ่านไปวันนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพเมื่อวันเดือนหเพนธนะเดือนหเพนธที่ผ่านมาจากนั้นท่านก็ได้สวยวิมุตติสุขในสถานที่ต่าง ในบทในละแวกนั้นอะ่ะไปนั่งอยู่ที่โคนต้นโพเจวันไปนั่งที่โคนต้นไซเจวันไปนั่งอยู่ที่ขอบจะสะเจวันลักษณะอย่างนั้นแหละเออจนถึงวันนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็ได้เดินทางมาเมืองพารานสีมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งหที่ป่าอิสิปตนามิกขายวันอยู่ในเขตแขวงกรุงพรารันศีจากนั้นพระองค์ก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห คือเป็นลือศีที่ปนนิบัติพระพุทธเจ้าอยู่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่ลือศีทั้งหักท่านนี่ก็คลายความคลายศรัทธาเหมือนกันแต่เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงไม่ไม่ได้ได้ตัดสัรู้หรอกถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้แต่ตามไม่จริงพวกลือศีเหล่านั้นไม่ได้อย่างลึกถึงพระทัยของพระพุทธเจ้าหรือใจของพระพุทธเจ้านั่นท่านนึกคิดอะไร แต่ลือสีเห็นแต่อกับกิริยาข้างนอกบางที่เขอดอาหารพออดอาหารแล้วก็กลับมาขันชั้อาหารก อ, อถอยไปถอยมาคงจะไม่ได้สําเร็จอย่างที่อย่างที่ทท่านต้องการออกไปหนีเราไนงะลักษณะอย่างนั้นแหละจากนั้นก็คลายคลายศรัทธาคลายศรัทธาจากศิทธัศน์จากนั้นเขาก็เลยลือสีทั้งห้าก็เลยมาอยู่ที่ป่า อิศิปัตนะมิกรทายวันห่างไกลพอสมควรเดินทางมานานพอสมควรจากนั้นพระพุทธองค์งก็อยู่ตามลําพังสิทธะก็อยู่ตามลําพังบําเพ็ญอย่างอุกกริบไม่มีใครรู้ว่าบําเพ็ญเรื่องอะไรอยู่ในใจในในพระไทยของพระองค์จากนั้นวันเดือนหกเพนท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างที่พระพุทธองค์ต้องการอย่างนั้นพระองค์ก็เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็บำเพ็ญ สวยวิมุตติสุขในสถานที่ต่างๆดังกล่าวจากนั้นพระองค์ก็โอ้ทำที่เราได้มานี่เน่ยเป็นการทรวนกระแสโลกถ้าเราไปสอนจะสอนให้ใครเนาะอยจากนั้นน่ยพรมเห็นว่าพระพุทธองค์ท้อปไทยไม่อยากจะเทศนาว่าการอบรมวเวเนย์ศัตร์พรมจะเนยลงมากราบอาราธนาเมื่ออารัถผมอาราธนาแล้วพระพุทธองค์ก็ มีพระไทยที่จะโปรดโปรดบรรดาสัพพสัต์ทั้งหลายท่านก็มองเห็นว่าเราเราจะไปโปรดใครก่อนนอ้อเนี่ยท่านก็มองเห็นชดินอสองคนที่พร ะ, พ, ระพุทธองค์ได้ไปเรียนไปศึกษาคือดารานาบทอุตกาดารบทฤษีอยู่ในระแวกนั้นจากนั้นท่านฤษีทั้งทั้งสองก็ได้มรณภาพลงไปท่านก็มองหาอีกว่าเราจะไปโปรดใครนอ้อเนี่ย ท่านก็เห็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่แหละที่เป็นลือสีที่เป็นผู้ป น, นิบัติพระพุทธองค์จากนั้นพระองค์ก็เลยเดินทางมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอมาโปรดแล้วก็เทศนาว่าการที่ทำทำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นะเออเป็นธรรมท่านแสดงธรรมมาจากกับปรวัติณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าก็ไดออ้รู้แจ้งเห็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นประธานปัญจวัคคีย์ คืออัญญากนทั ญ, ญะแล้วก็มีมีหมู่เพื่อนอีกสี่ค น, นัญญากนระยะเป็นเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่เป็นหัวหน้าโกนธั ญ, ญะวัปปะพัทธิยะมหานามอัจฉิชีมีพราหมณ์ทั้งหท่านแต่อัญญาโกนทั ญ, ญะเนี่ยพอได้ฟังธรรมเทศนาของ พ, พระพุทธเจ้าดวงตาเห็นธรรมโปรแจ้งเห็นจริงตามตามทำคำสอนของพระพทุทธเจ้าได้แสดง จากนั้นก็โอ้ข้าพรเจ้ารู้จริงเห็นจริงข้าพรเจ้าขอบวชพระพระองค์บอกว่าอัญญาสิวัตโพกนทันโยท่านโกนทัญญารู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนาะนะจากนั้นกับพระองค์ก็มีความภาคภูมิใจว่าที่ได้แสดงทำให้ฟงังมีคนได้บรรลุได้ตัจรุได้บรรลุธรรมด้วยพระองค์ก็พระอัญญากรทันยะก็ขอบวชขอบวชในกับขอบวชกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ได้ให้บวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจดจงท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวไว้ดีแล้วพระอัญญาโกณาญะก็เป็นพระในพระพุทธศาสนาคือวันนี้แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสด า, ศาพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรรุปธรรม เ, เป็นพระธรรมและประกาศพระธรรมออกมาให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5าง้าบังเมื่อปัญจวั ปัญจวะคีตข้ได้ฟังแล้วปัญจวะคีตข้าเกิดศรัทธาได้บวชเพื่อพระสงฆ์ก็เลยเกิดขึ้นมาเนี่ยว่าพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือพระอัญญาโกฏัญญะเป็นท่านแรกได้อุบัติขึ้นในโลกเมื่อ2559ปีให้หลังคือวันนี้เพราะนั้นถือจึงพวกเราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคันศรัทธายาดโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเน้อ ให้ลําลึกถึงวันสําคัญจากนั้นก็วันพรุ่งนี้เป็นวันเทศกาลเข้าพรรษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าวันเทศกาลวันเข้าพรรษาสําหรับพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทคือเป็นบริษัทของพระพุทธเจา้าพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่ว่าวันคืนเดือน ป, ปีล่วงไปล่วงไปบัดนี้พวกเราทําอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ เราทําอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเพราะะฉนั้นให้พวกเราและเลือกถึงว่าค่าทําความดีอะไรไว้ไวบ้างเป็นเครื่องปรับจิตปรับใจของพวกเราเราประกอบคุณงามความดีอะไรบ้างนี่แหละอยากให้พวกเรามองตนเองท่นี่ดูตนเองมองตนเองจากนั้นเออเมื่อมองตนเองเออเรายังบกพร่องอยู่ในคุณงามความดี พวกเราควรจะประกอบคุณงามกวาดีให้มากกว่านี้ในตัวของข้าพเจ้าเองเอะนะนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้พวกเรามองตัวเองจากนั้นก็หลวงพ่อก็บอกว่าจะทํำยังไงนีเ่เมื่อมองตัวเองแล้วจะให้ทํำยังไงหลวงพ่อกว่าเอออันดับแรกพวกเรายึดพระไตรสรณคมคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุทธทางธรรมังสังขังสรณะังคัตฉามิ ข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะจากนั้นเราก็เรายึดเราเป็นยังไงเราก็ควรปฏิบัติตัวเลยเอาเถอะในพรรษานี้ข้าไปเจ้าจะไหว้พระทุกวันอย่างที่หลวงพ่อเนี่พูดเบื้องต้นข้าไปเจ้าจะกราบพระก่อนนอนพอจะกอดก่อนนอนแล้วก็ถ้าว่าเราไม่ตั้งจิตที่ฐานไว้นะว่าข้าไปเจ้าจะกราบไหว้พระทุกวันในพรรษานี้นะพวกเราอาจจะ ร่อยล้อละเหลงลืมหลงได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าเราใส่ใจเอาในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้ลืมเด็ดขาดแต่ถ้าข้าพเจ้าลืมตอนค่าแล้วข้าพเจ้าจะพูดอีกสองครั้งวันพวกนี้ถ้าว่าเราลืมเมื่อวานนี้ทั้งสองเราจะวันวันทอไปเราจะเอาสักสี่ครั้งคือเราให้ทำให้ครบทุกวันนี่แหละ ไหว้พระก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนมาก็ไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปฏิปัโนโนะโมทัสสะสามครั้งขอนอบน้อมเดชพระผู้ปีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วเการขั้นตอนต่อไปทํำยังไงขั้นตอนต่อไปกันนั้น เ, เรามีจะมีศีลห้าไหมเนีเ่เมื่อจิตพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วเพราะว่าศีลห้าเนี่ย เป็นสินคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกพระพรทองค์ประกาศเลยว่าผู้ที่มีสินท่าเนี่ยปิดอบายย่ำพรไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นคนพิกลพิการถ้าเกิดก็เป็นคนที่สมบูรณ์มีร่างกายสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์คนมีศินท่าคุ้มครองแต่ว่าคนที่ไม่มีศินท่าคุ้มครองไม่รับรอง นี่แหละ พ, ะพระพุทธองค์ท่านตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอย่างน้อยก็ให้มีสิ่ห้าสักในพรรษาเนี่อวันพระได้ไหมวันอาทิตย์ได้ไหมหรือวันอันไหนที่วันที่พวกเราจะทำได้นะสักเดือนหนึ่งเราจะรักษารักษาสี่ห้าสักห้าวันได้ไหมหรือสี่วันได้ไหมหรือวันหนึ่งได้ไหม อันนี้ก็คือล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีสําหรับสําหรับเราแต่ต้องมีสัจจะนะการที่จะทําอะไรต้องมีสัจจะอย่างนั้นก็มีศีลท่าถ้าว่าพเรามีศีลท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะควรจะมีนะหลวงพ่อว่านะพอโค้งสุดท้ายของเราแล้วเราจะลุ่มหลงมัวเมาอะไรไปอีกละ่ะโค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วเราก็ควรกิจการงานของเราควรจะปล่อยวางให้ลูกให้หลานเขาดําเนินไป เราก็มองมองดูเป็นพี่เลี้ยงเขาตอนนั้นเองเราก็ไม่ควรจะเข้าไปครกจนเกินไปครกครีจนเกินไปเราก็ควรจะเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกให้หลานของเราจากนั้นเรากว่าหันหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรมไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลหาหนทางของตนเองอีกไปไม่อีกไม่ไมปีกี่วันข้างหน้าแหละไม่ร่าวันไหนแหละอย่างหลวงพ่อกําลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ลูกหลานคณะสัตยาธิษม หลวงพ่อสำเนึกไว้อยู่เสมอนะหลวงพ่อ72ปีและปีนี่หลวงพ่อจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่อยู่อีกกี่ปีถึง10ปีไหมหลวงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอันไหนที่จะประเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อพูดขนานี้เนะี่ย หลวงพ่อเป็นผู้ใช้หนี้พระพุทธศาสนาคณะาทาญาทโยมพอหลวงพ่อมาเป็นหนี้่บุญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหนี้บุญคุณของพี่น้องประชาชนเมื่อได้ฉันอาหารได้ดํารงชีพได้ปัจจัยสี่จากพี่น้องประชาชนหลวงพ่อเองก็แนะนําบอกกล่าวศินอย่างนี้นะธรรมอย่างนี้นะควรทําอย่างนี้นะควรพูดอย่างนี้นะควรคิดอย่างนี้นะ เนี่ยหลวงพ่อก็ได้พูดให้กับนศรัทธาญาติโยมโ ล, ลูกหลานฟังแต่สรุปแล้วคือคือเป็นการใช้นี่ส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะว่าบอกกล่าวให้พวกเราพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติกลั่นกรองไตรตรองอีกทีหนึงหลวงพ่ออินเราเนี่พูดถูกหรือเปล่านะเพราะหลวงพ่อนำทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวเพราะนั้นหลวงพ่อมั่นใจ ก่อนที่จะกล่าวที่จะพูดให้ลูกให้หลานคณ า, าตัฐาญาดโย่ฟังเนี่ยไม่ใช่ความพิษคิดหลงพ่อหลวงพ่อได้ศึกษามาในตำรับตำราในศึกษามากับครูบาอาจารย์จากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเห็นผลมาแล้วจึงได้มาบอกกล่าวให้กับลูกกับหลานคณาตัทฐายาติโย่ได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นในพรรษานี้แหละให้พวกเราจะรักษาศี่หาหรือว่าเอาข้อที่5ก็ได้เอาเถอะข้ออื่นยกไว้ก่อน แต่ข้อที่หนี่ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดให้ขาวปลอดเลยเในข้อที่หนี่ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราคันชายาวฝิ่นเฮลาอินสึ่งไหนก็ตามที่จะเสบเสบแล้วดื่มเข้าไปแล้วขาดจติตข้าพเจ้าจะไม่ทำในพรรษานี้งดทั้งหมด เ, เหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็งดบุหรี่อีกต่างหากเพราะว่าบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหมอแพทย์หมอก็ก็ ให้ความสําคัญอย่างมากเฉพราะนั้นพวกเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่งดได้ก็ดีนะทางงดไม่ได้ก็ออเออจะทํำยังไงนานาจิตต่างนานาทัศนะแต่หลวงพ่อี่เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวนะจากนั้นก็ให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานในพรรษานี่พวกเราจะเอาอะไรเข้าพเจ้าจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เดือนหนึ่งเดือนละครั้งให้ได้สาม เดือนละครั้งสามเดือนสามครั้งแต่ก่อนเข้าไปเจ้าปล่อยป่าล่าเลยแต่เอาเถอะถ้าพ่อแม่อยู่ใกล้เราจะไปอาทิตย์ละครั้งไปหาพ่อตาวันอาทิตย์มาหาแม่ยายวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิต ย, ย์หรือว่าตัวอาทิตย์ต่อไปเราอาจจะไปทำธุระการงานไปตีกอล บ, บ้างไปพาแม่บ้านไปชมตลาดบ้างอันนี้ก็สูดแท้แต่แต่ถึงยังไงก็ควรจะใส่ใจ ควรจะมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในการดํารงชีวิตของตนเองในในพรรษานีสาเดือนเราจะเอาอะไรนะเฮ้ยราคาพระเจ้าจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดถึงจะใส่มากน้อยก็าตามแล้วจะข้าไปจ้าข้าพเจ้าจะใส่บาตรพระสงฆ์ที่ผ่านหน้าบ้านแล้วโอ้ไม่ไหวละหลวงพอ่อหลวง พ, อพ่อโพธิ์นี้ก็ใช่การทําบุญเราก็ไม่ได้ประมาทแต่ว่ามันตื่นสาย และก็หน้าที่การงานรัดตัวบางทีเราไปแต่เช้ามืดเออเอาเถอะนะถ้าเราฉลาดนะถ้าเราฉลาดอยากจะทําบุญในพรรษาพวกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะข้าพเจ้าจะใส่บาตรวัดโพธิสมพรข้าพเจ้าจะใสบัตรวัดบ้านจิกข้าพเจ้าจะใส่วัดป่าวัดป่าบ้านตาดหรือครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสนะเราก็ตั้งกระปุกเอาไว้เออวันนี้เราจะตักบาตรสี่องค์ เราก็ใส่นมกระป๋องหนึ่งนมนมกล่องหนึ่งเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ เ, เราก็อาใส่เข้าไปเ้วก็จะใส่ขนมเค้กขนมปังอะไรก็ว่ากันไปกล้วยเงากล้วยหอมก็ว่ากันไปผลไหลากหลายอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานก็ใส่ในกระปุกนั้นพอออกพรรษาแล้วเนาะจะนําไปถวายท่านก็ได้หรือเดินหนึ่ง เดือนนึงเราไปถวายท่านกันเอออันนี้อาหารใส่บาทออพระคุณท่าน เ, ออเมื่อท่านได้รับปัจจัยท่านก็จะได้นําปัจจัยนั้นไปเป็นค่าอาหารเพราะว่าวัดทุกวัดก็ต้องมีค่าอาหารมีค่าน้ําค่าไฟอยู่แล้วถ้าว่าพวกเราให้การทําบุญทําบุญทําทานอย่างนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะหรือเอาเถอะ เ, เราทํามาหาเลี้ยงชีพเราควรจะบํารุงพระพุทธศาสนาเราก็ตั้งกระปุกไว้เลย บางทีเราก็เอาทาบุญแต่และ ว, วันทอกวันไม่ให้ขาดาใส่เข้าไปวันละเท่าไหร่แต่พอวันงานงานบวชพองานบวชล้วก็เปิดมาเอาไปทําบุญงานบวชงานศพล้วก็เปิดมาไปทําบุญงานศพงานขึ้นบ้านใหม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเอาไปทาบุญเปิดมาตู้มาไปทําบุญพระพุทธศาสนากัรล้วนแล้วจะเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อพระพุทธศาสนา ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นอนณาจทายาทโยมถ้ารู้จักวิธีการทำบุญนะเอ่อเว้นเสียแต่วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้สนใจอันนั้นไม่น่าจะถูกน่าหลวงพ่อพูดอย่างนั้นไม่น่าจะถูกเพราะในพรรษาเนี่นะควรจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งฮอให้อยู่ในจิตในใจของเราตั้งจิตอธิษฐาน น, นี่ะก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันกลับให้พวกเรากร า, าบพระประธานนะ ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจเอาเถอะข้าพเจ้าได้ยินหลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วข้าพเจ้าจะเอาวันนี้จะไหว้พระทุกวันนี่แหละ อ, อย่างนี้กือกราบพระจังจิตอธิษฐานเสร็จแล้วนะในเมื่อออกพรรษาแล้วนะพวกเราก็มาตักทำบุญตักบาตรอย่างวันนี้แหละตักบาตรเทโวนะ เ, เสร็จแล้วเรามากราบาพระพุทธอุดมมงคลอีกข้าพเจ้ า, าได้ตั้งจิตอธิษฐานนะที่จะปฏิบัติ ข้พาพเจ้าทําสําเร็จแล้วด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําสําเร็จแล้วนั้นขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิราชนาอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงสําเร็จสมความมุ่งมาน่นปรารถนาด้วยบุญด้วยกุศลของข้าพเจ้ า, าที่ได้บำเพ็ญในพรรษาที่ผ่านมานี้ น, ะนี่แหละ เมื่อเราได้ทําคุณงามความดีแล้วนะเราก็มาขอมารับพรฮ ะ, ะไม่ใช่ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเอกินเหล้าหัวฟัดหัวเหวี่ยงไปขอแต่พรจากพระน ะ, ะพระก็ไม่รู้จะทําไงเมื่อเขามาขอพรก็ให้พรไปแต่ตัวเองไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรเลยพรนนะั้นจะปศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนจะประสิทธิ์ประสาท์ให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทําความดีก่อน แล้วจึงมาขอพร อ, อันนั้นถูกต้องนักห น, น้าตายาดโยมทุกๆกท่านนะปะนัจจุบันในพรรษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวและก็พร้อมกันผู้ที่จะมารักษาศีลในวัดของหลวงพ่อเหมือนกันข้าพ เ, เจ้าจะรักษาศีลอุโบสถ์ทุกวันพระเรือว่ารักษาศีลห้าทุกวันพระและจะมาวัดทําบุญทุกวันพระตักบาตรทุกวันพระกระสุดแท้แต่ พวกเราจะตั้งจิตอธิษฐานหรือจะไม่ใช่มาวัดหลวงพ่อแห่งเดียวไปที่อื่นก็นั่นตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจจากนั้นพวกเราก็ปฏิบัติตามอย่างที่เท่าเราตั้งจิตอธิษฐานไว้นั่นแหละเมื่อผ่านพรรษาไปแล้วเราจะภาคภูมิใจนะคณะทศทาญาติโยมนะจะภาคภูมิใจในตัวของเราเองเพราะเราได้ประกอบคุณงามความดีได้สั่งสมบุญกุศลไม่พลาดโอกาสไม่เสียเวลา แล้วไม่ให้วันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเฉยเราประกอบคุณงามสังสมบุญกุศลเมื่อเราเท่าแก่ชะล า, เ, าเมื่อเราทาอะไรไม่ได้แล้วนะช่วงหนึ่งเราทำไม่ได้นะในช่วงนี้เราทำได้แต่เมื่อเราทำไม่ได้แล้วก็ระลึกย้อนหลังเอเอสมัยนั้นข้าพเจ้าได้มากราบมาไหวมาวัดหลวงพ่ออินอข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่า ง, งาุ่นอย่างนี้ เรานิ่ขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะสะบายใจมีความสุขใจลึกๆนะอพอเดี๋ยวเราประกอบคุณงามความดีถ้งว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเวันวันคืนเดือนปีล่วงไปอพอถึงโค้งสุดท้ายมาระลึกถึงคุณงามความดีไม่เจอแม้แต่น่อยเดียวแล้วจะทํำยังไงแนตะ่จิตใจของเราก็ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึม เ, เพราะอะไรเพราะไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเพราะนั้นพวกเราเตรียม พร้อมเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้แหละเป็นต้นไปถ้าเมื่อเราเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วน่ะอนาคตของเราก็จะได้รับความสุขความสบายใจแล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวัน เ, เริ่มใส่บาตรตรงนี้แต่วันพรุ่งนี้จะเป็นว่าเริ่มสตาร์ทนะคณะสัตยาติโยมสตาร์ทก็คือไปใส่ทั้งหน้าวัดที่แผงยาวๆนั่นแหละใส่ตรงนั้นอีกและขอ็พระของเราก็ ไม่รับอาหารตามส่งมาภายหลังตามแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาหลวงตาท่านรับอาหารนอกวัด เ, เพื่อให้อาหารมันน้อยนะ่ยไม่ตามไม่รับอาหารตามส่งมาภายหลังแต่พอไม่รับไปยิ่งมากอีกทีนี่ไม่รู้จะทํายังไงอีกเหมือนกันเพราะจะทายาติโยมก็อยากจะทําบุญนะแต่ตามไม่จริงไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังคือทุโลงข้อหนึ่งในเตระสะทุโลงสิบสข้อนั้น เพราะนั้นลู ก, ลกพ่อหลวงตาท่านพาดําเนินพวกเรากับลูกหลานก็ เ, เดินตามแนวปฏิปตาขององค์หลวงตาเพราะนั้นวันพุ่งนี้เราก็จะใส่บาตรนอกวัดแล้วก็วันมลืนนี่จิงจังแล้วแต่ทีแต่วันพุ่งวันพุ่งนี้ยังไม่จริงจังเท่าไหร่หรอกวันพุ่งนี้ไม่จังยังไม่จริงจังเพราะเป็นวันแรกนะยังไม่อธิษฐานพรรษานะแต่ก็วันแรมสองค่านะั่นแหะ แปลว่าเอาจริงจังเลยเลยยึดคลับเป็นทุง่งตรงเตรษสะทุดงงข้อที่ข้อหนึ่งไม่รับอาหารตามสงมาภายหลังเพราะนั้นคณะทาญาิโยมลูกหลานผู้ที่จะมาใส่บาตรต้องทำใส่เป็นถุงเป็นห่อให้ครบพระปีนี้พระทั้งหมดก็หลวงพ่อยังไม่เดินับดูในรายละเอียดนะประมาณสี่สิบกองมั่งพระปีนี้พระทั้งหมด46องนั่นลูกหลานนักนัทาญาทยาโยม แต่ยังไม่แน่ยังไม่แน่นะยังเดี๋ยวเดี๋ยววันเข้าพรรษาวันวันพุ่งนี้แหละจะอธิษฐานพรรษาในเมื่ออธิษฐานพรรษาเราแน่นอนละ่ะองคไหนจะอยู่องคไหนจะไปที่ไหนบ้างนะแต่วันนี้ก็ยังแกล้งอยู่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ชัดเจนแต่ถึงยังไงก็นับไว้ลยสี่สิบหกรูปผู้ที่จะมาใส่บาตรก็ไม่ใช่ว่าจะมาใส่บาตรให้เต็มทุกองค์ไม่ใช่ เราจะใส่องค์ไหนก็ได้นะไอ้ธี่มาตักบาต์ถ้าใส่ครบทุกองค์ก็ดีถ้าไม่ใส่ครบทุกองก็ใส่องค์ใดองค์หนึ่งท่านก็เฉลี่ยเผื่อแผ่กันแบ่งกันฉันได้ไม่เป็นไรพอเป็นพระถึงยังไงก็ต้องมองกันเพราะอาหารจําเป็นสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายสเปสตาอาหารฤทธิกาสัตว์รัปสัตย์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหาร วันนี้ก็เหมือนกันอาหารของพวกเรา เ, าเมื่อหลวงพ่อให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูดูกันเอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของเจ้าภาพเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดให้แขกให้แขกทั้งหลายนั่งประจำที่นะแล้วก็พวกเราที่เป็นเจ้าของบ้านก็พยายามจัดอาหารให้ทั่วถึงแต่หลวงพ่อให้เป็นสแปร์ไว้อยู่เนี่ยนะถ้าหากว่าตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่อง ก็เอาจุดนี้ไปเพิ่มเติมให้เต็มอีกนะออพอหลวงพ่อก่อนนะไม่ใช่ว่าจะชันทั้งหมดไม่ใช่นะเก็บไว้เพื่ออะไรแกเก็บไว้เพื่อสาหรับศรัทธาญาติโยมบางคนกขมาทีหลังก็มีอาหารจุดใดจุดหนึ่งมันบกพร่องก็ดี เ, เราก็จะทำจะทําให้มันเพิ่มให้เพียงพ อ, อ, อถ้าหาว่าตรงไหนที่มันมากเกินไปก็ถอนออกนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะอย่าเป็นโลคโหโมกณนะ ตรงนี้ไม่ใช่ตรงแสดงหาความโลภนะไม่ใช่โลภในอาหารเห็นอาหารแล้วคนอื่นก็เป็นโลภเอาไม่ได้นะเอเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นตรงเสียสละ น, ะนู่นอยู่ข้างนอกวัดนะเป็นที่แหล่งหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัตินะแต่ตรงนี้เป็นที่ทําบุญเป็นที่เสียสละให้อยู่ให้ให้อยู่กินให้ทั่วถึงกันนี่แหละนี่แหละอาหารของวัดวาศาสนาอาหารวัดนหลวงพ่อบอกว่าอาหารวัดเน เป็นอาหารสวรรค์ไกลๆนะคณะสัตยาญาติโยมฟังๆเอาไว้นะถ้าพวกเราบริจาคทำบุญอะไรนะเราจะได้กินอย่างนั้นเราจะได้รับอาหารอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อนะพวกเราออกมาทุกคนมีแต่ข้าวสวยไม่ใส่บาตรเลยพวกเราก็ได้กินแต่ข้าวสวยในวันนั้นเพราะอะไรเพราะพวกเราทานแต่ข้าวสวยใช่ไหมล่ะถ้าว่าพวกเราทานแต่ข้าวเหนียวพวกเราจะได้รับแต่ข้าวเหนียวนั่นนะเพราะอะร เพราะเราทํำทำบุญกับข้าวเหนียวนะถ้าว่าเราทำเอออันไหนก็ได้รับอันนั้นนี่แหละอาหารวัดของเราเนี่ยเป็นอาหารสวรรค์นะหลวงพ่อว่านะอาหารไกลไกลสวรรค์ไกลไกเพราะฉะนั้นถึงย่งวันนีออ้พวกเราได้เ้ามาทําบุญถาวายคนละไม้คนละมือคนละอย่างกันนะแต่พวกเราก็ได้กินอาหารร่วมกันคนละอย่างกันเหมือนกันนะแบ่งกันนะเพื่อ เ, เมื่อได้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยอิ่มน้ำจำรานแล้วก็เอออ้าวก่อนที่จะกลับบ้านก็เนี่ยตั้งกิตอธิษฐานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวคือบวชในวัดหลวงพ่อก่อนนะบวชใจบวชใจในวัดหลวงพ่อก่อนนะตั้งกิจอธิษฐานคือบวชใจในวัดหลวงพ่อก่อนพอบวชใจเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็ปฏิบัติเลยปฏิบัติอย่ากโกหกตนเองนะออพออธิษฐานเสร็จแล้วไปกลับไปบ้านแล้วโกหกตนเองไม่ได้นะ โกหกพระพระพุทธรูปหลวงพ่ออย่างไปแล้วยังไปโกหกตัวเองอีกออไม่ดีไม่เป็นมงคลนะต้องรักษาสัจจะให้จริงจังและจริงใจนะออพอพูดตั้งกิจอธิษฐานต่อหน้าพระประธานแล้วนะออพอกลับไปถึงบ้านเราก็ปฏิบัติตามถ้ามันหลงมันลืมเอาไม้อก็กวันพรุ่งนี้เอาวันพรุ่งนี้มันลืมวันพรุ่งนี้เอาอีกกาเป็น4ครั้งถ้ามันลืมสองวันเอากาเป็น8ครั้ง พูดทีนี้แปดจบเลยเหมือนกับอิทิพิโสร้อยแลักษณะอย่างนั้นนะเรียกว่าางคนก็เอาเอข้าพเจ้าจะสวดอิทธิพิโสร้อยแปดก็ได้เอารูปประคำมาแล้วก็โพูดสวดอิทธิพิโสแล้วก็ถนับนับไปเออย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะได้เหมือนกันนะเรียกว่าสวดอพักคาถาไหนก็ได้เรือกพาหุงก็ได้อะไรก็ได้ ที่พวกเราสวดได้นะแต่ก็ไม่ให้เสียเวลานานเกินไปบางทีเรามีหน้าที่การงานแต่ผู้มีหน้าที่การงานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะกราบพุโทโธธัมโมสังโฆนิพพานังอรหังสมาสัมพุโทโธภะควาสวาขาโตภะคะวาตาธัมโมสุปฏิปโนภะควโตสาวกสังโฆกลาบทั้ง3ครั้งแล้วก็นนะโมตัสสะภะควโตราหโตสมาสัมพุทเทสะสามจบ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 กล่าวพระพุทธเจา้ากล่าวพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ยึดพระไตสรสาระคมว่ากราบไหว้พระไตสรส า, าระคมจะนักกันนอบน้อมพระพุทธเจา้จาจะนักกันกแพรเมตตาเนี่แหละเป็นสิริมงคลสําหรับพวกลูกพวกหลานกาา็น่าจัดทาญาติโยมในชีวิตของพวกเราเมื่อเราทําผ่านไปแล้วเราจะภูมิใจน ะ, ะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรอุทธิส่วนกุศลหนนะ้วันนี้หนะ้า